บทส่งท้ายเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่มสามาดีพอไม่ต้องรอรางวัลคนดีที่ขี้สงสารตัวเองคนดีที่รอลาบหล่นใส่คนดีที่หวังคำสรรเสริญเยินยอเหล่านี้ล้วนยังดีไม่พอจะเป็นสุขทันใจคนดีที่มีแต่เมตตาให้คนอื่น คนดีที่มีแต่คิดเจียดส่วนเกินให้ผู้ยากคนดีที่มีแต่ความทอมเนื้อทอมตัวเหล่านี้ดีพอจะไม่ต้องรอรางวัลนานความดีพอนั่นเองคือรางวัลในตัวเองทำดีเมื่อไหร่ก็ได้ดีเดี๋ยวนั้นเพราะไม่มีประสงค์อื่นแอบแฝงคนดีพอทุกคนย่อมรู้จักสุขอันเป็นทิพย์ และไม่ปรารถนาจะสแสวงหาความสุขหยาบๆยาบนอกตัวเพียงเพื่อต้องเป็นทุกข์เพราะการหวังรอเปล่าๆคนส่วนใหญ่แม้เริ่มเชื่อเรื่องกรรวิบากแล้วก็ต้องการผลตอบแทนทันใจทำนองเดียวกับนักธุรกิจที่ลงทุนแล้วคาดหมายผลกำไรภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้พอดีแล้วไม่ได้ดีทันใจร้อยทั้งร้อยจะเริ่มสงสัย แล้วก็คิดคำอันจะนำไปสู่ความหลงผิดเช่นทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนั่นก็เพราะบุตุชนทั้งหลายย่อมคาดหวังผลนั้นเป็นรูปธรรมภายนอกให้ข้าหมาแมวสองสามมือแล้วเอาไปบ่นกับเพื่อนว่าทำทานตั้งมากไม่เห็นรวยสักทีหรือตั้งใจทำบุญวันนี้เพราะกะว่าถ้าวิบากกรรมมีจริงคงบรดาให้ถูกหวยในอาทิตย์หน้า พอไม่ถูกขึ้นมาก็โทษ ฟ, ฟ้าโทษดินด่าทอเทวดาว่าไม่ยุติธรรมไปโน่นกฎธรรมชาติตามจริงคือถ้าลงทุนน้อยแต่จะคอยผลกำไรมากก็ยากจะได้ผลตามปรารถนาเป็นธรรมดาครับแต่ถ้าเอาใหม่เปลี่ยนมุมมองซะมาเน้นความสุขทางใจ คาดหมายว่าการทำดีเพื่อสละขยะส่วนเกินที่พรุงพรังออกจากใจเพื่อความโปร่งเบาเพื่อความสบายเพื่อความสะอาดหมดจดอย่างนี้คุณจะรู้สึกว่าทำดีได้ดีทันทีไม่ต้องมีรอขอแจกแจงให้เป็นข้อๆอพอสังเขตเริ่มต้นจากแง่ต่างๆของการให้ทานก่อนหนึ่ง ให้ทานด้วยเศษเงินด้วยเจตนาอนุเคราะห์ผู้ยากผลคือใบหน้าสว่างขึ้นทันทีความจรร니ห่วงทรั์ส่วนเกินถูกกระเทาะออกทันทีเป็นเหตุให้ใจสบายทันที2ให้ทานด้วยเงินหนึ่งในสีของรายได้ด้วยเจตนาปลูกสร้างหรือบูรณะทวรวัตถุในพุทธศาสนาผลคืออิ่มเอเิบเบิกบานไปทั้งตัวทันที ความโลภอยากได้อยากมีถูกปลดทิ้งทันทีเป็นเหตุให้ใจบางลงทันทีไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำบุญหนึ่งในสีของไรายได้ทุกเดือนแล้วจึงเห็นผลเอาแค่ครั้งเดียวก็เห็นชัดแล้วและนี้เป็นเพียงหลักการขอให้คําหนึ่งว่าตัวเองมีกําลังพอทําแล้วไม่เดือดร้อนกับตัวเองด้วยการให้ทานไม่ได้มีแต่สละทรัพย์อย่างเดียว แต่ยังมีการให้อภัยซึ่งยิ่งมีผลทางใจสูงกว่าทรัพยทานเสียอีกแจกแจงได้เช่น 1. ให้อภัยด้วยเหตุหน้าขัดเคืองเล็กน้อยด้วยเจตนาจะไม่ให้ตกเป็นผู้ผูกโกรธง่ายๆแรกๆอาจมีความคาใจคุกรุ่นอยู่บ้างแต่หลังๆเมื่อฝึกอภัยจนชำนาญแล้วผลเดียวนั้นคือความเย็นกายสบายใจในทันที โล่งหัวอกทันทีคลายสีหน้าทันทีเหมือนผ่อนคลายอิริยาบถในท่าพักหลังแบบของหนักขึ้นหลังไว้ครู่หนึ่ง 2. ให้อภัยด้วยเหตุบาดหมางควรแก่การพยาบาทแรงด้วยเจตนาเลิกผูกพยาบาทจองเวรต่อกันไปให้ยืดเยื้อที่จะทำได้ต้องเคยให้อภัยทานแบบอ่อนๆไว้หลายครั้งจนชิน เมื่อสามารถทําได้จะเบาตัวอย่างประหลาดราวกับนักโทษที่หลุดจากการจองจําหรือเหมือนคนพึ่งฟื้นไข้จากโรคร้ายกลับมีกําลังวังชาเป็นปกติหลังจากถูกรุมเร้าให้ร้อนรนมาช้านานถัดจากการให้อภัยทานเป็นทานคือการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าเป็นความรู้ทางโลก เรียกว่าวิทยาทาน 1. ให้วิทยาทานระดับรู้วิธีคิดด้วยเจตนาให้ผู้อื่นสามารถแก้ปัญหาที่ติดขัดได้ลุล่วงผลคือเกิดความร่าเริงยินดียิ้มได้ด้วยความภาคภูมิใจในตน 2. ให้วิทยาทานระดับรู้พอจะประกอบอาชีพด้วยเจตนาให้ผู้อื่นเติบโตขึ้น เป็นคนดีมีวิชาตลอดจนสามารถเลี้ยงตัวต่อไปผลคือเกิดความเต็มอิ่มในความมีเกียรติยืนอยู่ต่อหน้าสิทธิ์ด้วยความรู้สึกเป็นครูเต็มภูมิต่อมาเป็นการให้ความรู้ความเห็นที่ถูกที่ควรเรียกว่าธรรมทาน 1. ให้ธรรมทานเป็นความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิบา ก, กรรม ด้วยเจตนาให้ผู้อื่นไม่หลงเห็นผิดเป็นชอบมุ่งแต่จะประกอบกรรมอันเป็นประโยชน์สุขเป็นที่พึ่งแก่เขาเองและคนรอบข้างหากผู้ให้ธรรมทานรู้หลักกรรมวิบากตามพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องกับทั้งประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมด้วยตนเองแล้วจึงสอนผู้อื่นผลคือความรู้สึกเหมือนเขตปลอดภัยเขตแห่งความเยือกเย็น เขตแห่งความสงบสุขทั้งกับตนเองและผู้อื่นกับทั้งจะย้ำชัดกับตนเองยิ่งขึ้นว่าต้องไม่พลาดหลงทำชั่วและเร่งสั่งสมความดียิ่งยิ่งขึ้นเพื่อหลีกห่างจากความประมาทสองให้ธรรมะเป็นความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพ้นทุกข์ด้วยเจตนาให้ผู้อื่นเลิกยึดมั่นถือมั่นในสิ่งไร้สาระแก่นสาร หากผู้ให้ธรรมทานมีกำลังใจพอจะปล่อยวางจริงๆแล้วจึงสอนผู้อื่นผลคือความรู้สึกเบิกบานไม่มีประมาณกลายเป็นกำลังให้ภูมิจิตยกระดับความปล่อยวางยิ่งๆขึ้นอย่างง่ายดายกระทั่งปล่อยวางได้ถึงขั้นละเอียดสูงสุดนอกจากนี้ยังมีทานประเภทอื่นๆเช่นให้กำลังกายเป็นทาน หรือสละสิทธิ์เปิดทางให้คนอื่นก่อนซึ่งต่างก็ต้องอาศัยกําลังใจในการเสียสละกําลังของตนหรือสิทธิ์ของตนทั้งสิ้นยิ่งให้ทานมากเท่าไหร่คุณจะรู้สึกสบายคลายความเร่าร้อนอึดอัดและอยู่ห่างจากภัยเวรทั้งปวงมากขึ้นเรื่อยๆถัดจากความดีระดับทานคือความดีระดับศีลผลของความดีพอในระดับศีล แจกแจงเป็นข้อๆได้ด้วยการดูความสามารถงดเว้นดังต่อไปนี้ 1. ตั้งใจงดเว้นการฆ่าสัตว์และการทำร้ายเมื่อถูกย่อยุให้ฆ่าสัตว์หรือทำร้ายล้วงดเว้นได้จริงๆผลที่เกิดขึ้นคือความมีอำนาจเหนือโทสะและชัยชนะเหนือโทสะนั้นจะทำให้รู้สึกปลอดภัยขึ้นแม้ในท้ำกลางพยันตราย ยิ่งถ้าหากยอมเสียชีวิตตนดีกว่าเอาชีวิตคนอื่นได้แล้วก็ระดับของเมตตาจะยิ่งท่วมใจราวกับนิ่งอยู่ในมหาสมุทรของความสุขทีเดียวคุณจะพบตามจริงว่าเมตตายิ่งมากเท่าไหร่ความเป็นสุขและความรู้สึกปลอดภัยยิ่งมากขึ้นเท่านั้น 2. ตั้งใจงดเว้นการลักทรัพย์และการช่อกง เมื่อถูกยั่วยุให้ขโมยหรือตุกติดละงดเว้นได้จริงๆผลที่เกิดขึ้นคือความมีอำนาจเหนือโลภะและชัยชนะเหนือโลภะนั้นจะทำให้รู้สึกถูกต้องตรงทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีศรัทธาและความภูมิใจในความถูกต้องการตัดสินใจเลือกต่างๆจะเป็นไปได้ด้วยดียิ่งขึ้นตั้งลำคอได้ตรงยิ่งขึ้นอกภายไหล่ผึงยิ่งขึ้น 3. ตั้งใจงดเว้นการประพฤติผิดในลูกเขาเมียใครเมื่อถูกยั่วยุให้ประพฤติผิดทางกามและงดเว้นได้จริงๆคนที่เกิดขึ้นคือความมีอำนาจเหนือราคะและชัยชนะเหนือราคะนั้นจะทำให้รู้สึกสะอาดสะอ้านไม่อ่อนแอมักง่ายมีความยับยั้งช่างใจในการเลือกคู่ครองที่เหมาะสมกับตนมีความอดทนต่อความผิดหวังในรัก เป็นเรื่องยากสำหรับคนทั่วไปเมื่อเข้มแข็งพอจะไม่อ่อนข้อให้การผิดผิดคุณย่อมอยู่ห่างจากความรู้สึกผิดและเสียงประนามทั้งปวงเช่นกัน 4. ตั้งใจงดเว้นการพูดโกหกพูดเสียดแทงว่าร้ายพูดหยาบคายและพูดพร่มเพ้อเจอ้อเมื่อถูกยั่วยุให้พูดไม่จริงไม่เป็นประโยชน์ ลองงดเว้นได้จริงๆผลที่เกิดขึ้นคือความมีอำนาจเหนือปากและความสามารถควบคุมปากตัวเองนั้นจะทำให้จิตใจหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวง่ายไม่ฟุ้งซ่านง่ายรู้อะไรควรอะไรไม่ควรและมีคำพูดประกอบด้วยสติเป็นสเสน่ห์ 5. ตั้งใจงดเว้นการร่ำสุรายาเมา เมื่อถูกยั่วยุให้กินเหล้าเมายาแล้วงดเว้นได้จริงๆผลที่เกิดขึ้นคือความมีอำนาจเหนือที่พึ่งภายนอกมีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ถูกสังคมชักพาให้หลงลงต่ำกับทั้งไม่วิปริตผิดเพี้ยนตามคนอื่นที่เห็นยาพิษเป็นขนมหวาน ถัดจากความดีระดับศีลคือความดีระดับภาวนาการภาวนาคือการอบรมตนให้เกิดความสงบหรือสมถะและเกิดความรู้ตามจริงหรือวิปัสสนาผลของความดีระดับภาวนาแจกแจงเป็นข้อๆได้ดังนี้ 1. ตั้งใจระลึกรู้ว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่เรื่อย เท่าที่จะนึกได้ผลที่เกิดเมื่อทำได้จนเคยชินคือความสงบสุขอยู่กับปัจจุบันไม่เรียกร้องไม่แสสายไปหาอดีตที่ล่วงแล้วหรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงนี่เรียกว่าเป็นการภาวนาระดับสมถะ 2. ตั้งใจระลึกรู้ว่าลมหายใจยาวหรือสั้นเปรียบเทียบอยู่เรื่อยๆ ว่าบางช่วงร่างกายต้องการลมยาวบางช่วงร่างกายต้องการลมสั้นผลที่เกิดเมื่อทำได้จนเคยชินคือการรู้ตามจริงว่าลมหายใจไม่เที่ยงยาวบ้างสั้นบ้างเป็นธรรมดานี่เรียกว่าเป็นการภาวนาระดับวิปัสสนาเห็นอนิจจังสม ตั้งใจพิจารณาว่าลมหายใจทั้งปวงเข้ามาแล้วต้องออกไปเป็นธรรมดาควบคุมให้เข้าอย่างเดียวไม่ได้ควบคุมให้ออกอย่างเดียวไม่ได้ควบคุมให้หยุดพักลมอย่างเดียวไม่ได้ผลที่เกิดขึ้นเมื่อทาได้จนเคยชินคือความรู้ตามจริงว่าลมหายใจไม่อาจคงสภาพอยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งนี่เรียกว่าเป็นการภาวนาระดับ วิปัสสนาเห็นทุกขังเพียงด้วยการเฝ้าดูลมหายใจด้วยมุมมองที่ถูกต้องตามพระพุทธเจ้าตรัสแนะแนวไว้คุณจะเกิดสติชัดขึ้นเรื่อยๆและพลอยเห็นความสุขความทุกข์ในใจและสรรพสิ่งสรรพเหตุการณ์ที่หมุนเวียนเปลี่ยนมากระทบคุณต่างล้วนเป็นเหมือนลมหายใจที่ผ่านมาแล้วผ่านไป ชอบหรือชังก็ควบคุมให้อยู่กับที่คงทนไม่ได้จนเกิดข้อสรุปว่าไม่เห็นมีอะไรเป็นตัวเป็นตนสักอย่างนี่ก็คือการภาวนาระดับวิปัสสนาเห็นอนัตตาจากเห็นรางๆเป็นเห็นแจมแจ้งเห็นครอบเห็นรอบด้านทั่วถึงตลอดสายเมื่อเห็นชีวิตเป็นอนัตตาบริสุทธ จิตคุณจะหลุดจากบาปทั้งหลายจะเป็นอิสระจากการยึดติดทั้งปวงสภาพหมุนมืดสกปรกใดๆไม่อาจแปดเปื้อนจิตได้เลยตรงนั้นแหละยอดสุดแห่งแก่นสารสาระในพระพุทธศาสนาที่ทำให้ถึงกันได้ในชาตินี้โดยไม่ต้องรอชาติหน้าคุณจะเลือกพอใจความดีระดับใด ในพระพุทธศาสนาก็ได้เมื่อได้ดีทางใจทันทีในวันนี้จะทำให้โลกภายนอกดีตอบในวันถัดมาและจะทราบด้วยตนเองว่าความสุขสงบในนาทีนี้คือลางบอกเหตุหรือนิมิตหมายอันดีที่ชี้ให้เห็นว่าต่อไปคุณจะปลอดภยัยขอให้ลองสังเกตใจตัวเองดูเถิดว่า ด้วยเจตนาหนึ่งหนึ่งข้างต้นทำทําไปแล้วเกิดผลทันใจอย่างว่าจริงไหมถ้าจริงก็ขอให้มันทําบ่อยๆทําให้ต่อเนื่องทําให้ได้ตลอดเพราะถ้าใจอ่อนทําแค่ทีสองทีแล้วยอมแพ้เดี๋ยวกิเลสก็กลับมาคิดแทนคุณใหม่เท่ากับคุณปล่อยให้กิเลสอันเป็นธรรมชาติฝ่ายต่ามากำหนดทิศทางชีวิตคุณลงเหวได้ครับ เรื่มสเสบียงไวเลี้ยงตัวเล่ม3งานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยโจโฉขอบคุณคุณตองพีที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดเสียงเป็นโนมาประกอบเสียงอ่านนะครับขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับคุณรุ่งทิพดุลย์พยัพที่กรุณาส่งต้นฉบับมาให้อ่านเสียงอนุโมทนาเวนาทีนี้ด้วยนะครับสัพพะธนังธรรมธนังชินาติ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเผยพระต่อได้โดยไม่ต้องขออนุ ญ, ญาตแต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นเจริญในธรรมทุกท่านครับ